ขอการเพื่อจะทบมิุกท่านนะครับจะเดินในธรรมทุกทุกคนก็หลายวันหลายเดือนเยอะไม่ค่อยได้ไม่ได้มาทำวัดที่นี่เนาะก็นะมีแต่เดินทางไปที่นั่นที่นี่นะก็ได้ไปเห็นได้ไปเรียนดูในหลายๆอย่างนะตาก็เห็นรูปนะหูก็ได้ยินเสียง จมูกก็ได้กินลิ้นก็ได้รสกนะายก็ได้สัมผัสเย็ now, นนะ้อนอ่อนหนาวจิตใจก็ได้รับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในที่จริงจะเดินทาง อ, ออกไปนอกวัดก็ดีหรือว่าอยู่ในวัดก็ดีอายตนะทั้งหกหลอนนี้มันก็สัมผัสนะกับ ท, ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่แล้วไหละนะแต่เพียง่ว่าถ้าเราอาศัยสิ่งต่างๆเนั้นมาปรึก มาเป็นการเรียนรู้นะแล้วก็กลับมาดูกลับมาสะท้อนดูอารมณ์ดูความคิดดูความเป็นไปที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเองมันก็จะได้ประโยชน์นะแต่ถ้าตาเห็นรูปแล้วนะไม่ได้ประโยชน์ตาเห็นรูปแล้วก็ลงไปกับรูปนะหูได้ยินเสียงก็ลงไปกับเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัส หรือจิตใจนึกคิดปรุงแต่งแล้วก็หลงไปกับอารมณ์ต่างเหล่านั้นเราก็จะไมะ่ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ที่ได้เห็นหรือได้สัมผัสแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเอาอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นมาเป็นประสบการณ์มาเป็นครูที่สอนธรรมะของเราเราก็จะได้ประโยชน์มากมายจากสิ่งภายนอกที่มากระทบแล้วก็กลับมารับรู้ถึงอาการภายในใจของเราเองว่าเรา รู้เท่าทันอาการที่เกิดขึ้นนะได้หรือเปล่านะแล้วก็เมื่อเรารู้เท่าทันอาการที่เกิดขึ้นนะในใจหรือว่าสิ่งที่กระทบภายนอกแล้วเรารู้เราได้เห็นความจริงความเป็นไปของเขาหรือเปล่าจะตาเห็นรูปสวยหรือรูปไม่สวยแล้วก็มันก็มีการเห็นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาหูได้ยินเสียงจะเป็นเสียงไพเราะ เสียงไม่เพละนินทาหรือสนเสริญมันก็ดับไปเป็นธรรมดาลิ้นจะได้รับอาหารที่ถูกปากไม่ถูกปากอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็แค่นั้นคืนออกไปก็หมดไปเป็นธรรมดากายได้สัมผัสกับความหนาวบ้างความร้อนบ้างความอุ่นบ้างมันก็แค่ชั่วข่าวเท่านั้นนะมันก็ดับไปเป็นธรรมดาความคิดอารมณ์ จะปรุงแต่งด้านบวกปรุงแต่งด้านลบจะสุขหรือจะทุกข์ก็เกิดขึ้นชั่วข่าวแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเราเห็นตร ง, ตรงนี้ไหมนะถ้าเราเห็นตรงนี้เราก็ได้ธรรมมาจากเขาแต่ถ้าเราไม่รู้ทั น, นเราก็จะเอาแต่ด้านที่ดีด้านที่ไม่ดีก็จะไม่เอาก็จะผักไสเขาอยู่ล่ำไปความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็มัวแต่จะไปผักไสไปขับไร่หรือไปไม่ชอบเขา ความคิดที่ดีความสุขเกิดขึ้นก็อยากจะเอาท่าเดียวถ้าเราเห็นอาการแบบนี้เกิดขึ้นในใจเราก็ได้ธรรม ะ, ะที่เรียกว่าเป็นของจริงที่เออเห็นสภาวะอาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ได้ปัญญานะปัญญาที่เห็นว่าความจริงความเป็นไปของโลกนะโลกไม่ใช่ว่าโลก ที่เป็นดาวเคราะห์ดวงนี้นะแต่โรคคือร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนี่แหละคือโรคทั้งใบนะนั้นการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมก็คือการมาศึกษาโรคใบนี้แหละนะใบที่จําลองอยู่ในกายในใจนี่แหละคือการถ้าเราเข้าใจโรคใบนี้ได้เราก็เข้าใจโรคทั้งใบเข้าใจทั้งจักรวาลก็ว่าได้หรือแท้แท้ที่จริงแล้วเข้าใจทั้งโรคทั้งสามนะ โลกทั้งสามกำเนิดทั้งสีนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีมีแต่ขันมีมีแต่ขันห้า ข, ขันบ้างมีขันขันเดียวบ้างมีขันสีขันบ้างวนเวียนอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีมาเป็นเช่นนี้ตลอดไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไม่รู้ความจริงนะพอไม่รู้ความจริงก็ต้องนวนเ ว, น, เนเวียนเวียนไหวใจเกิดวนเวียนย่อมไม่พอเกิดทุกข่าวก็เป็นทุกข์ร่าไปนะอะ น, นั้นทําอย่างไรเราถึงจะ ดับการเกิดได้นะก็ไม่ต้องเกิดก็คือการดับทุกนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ก็ต้องเริ่มเรียนรู้จากตรงนี้นะบางทีอาจจะต้องเริ่มต้นจากหลายๆอย่างนะได้ได้ไปวัดหินหมักเป้งนะมีหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงปู่เทศท่านบอกว่าคุมทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่ามี3ประการคุมทรัพย์อย่างแรก ใครได้ขุมทรัพย์ใบนี้ก็คือว่าได้ได้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าพวกเรามีความเชื่อมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนาะพวกเราถึงได้ออกบวชจะเป็นพระก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีหรือว่าเป็นญาติโยมที่ตระดาเวลามาอยู่ที่วัดก็ดีก็คือมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาว่าอะไรศรัทธาว่าพพุทธเจ้ามีจริงไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีในตำนาน เป็นบุคคลที่เรียกว่าไม่มีจริงนะเป็นติ่งสมมติที่เขาสร้างขึ้นแต่เรามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านมีจริงท่านเกิดขึ้นแล้วจริงจริงนะแล้วก็ท่านก็รู้ธรรมะจริงๆรนะิท่านมีตัวตนจริงๆเรามีความเชื่อเช่นนั้นแล้วพอเรามีความเชื่อในตัวพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มีศรัทธาในเราก็มีคุมทรัพย์ในลุมที่สองคืออะไร เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วดังนั้นสิ่งที่ท่านรู้ก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าก็เป็นความจริงเราก็เกิดศรัทธาที่จะอยากปฏิบัติตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะเชื่อว่าธรรมะมีจริงปฏิบัติจริงให้ผลได้จริงนะถ้าใครทำจริงก็ได้ของจริงเรามีความเชื่อเช่นนั้นเชื่อในพระธรรมนะเชื่อว่าธรรมะต้องคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิด แล้วขุมทรัพย์ขุมที่สามคืออะไรเมื่อเราได้เห็นพระอริยสงฆ์หรือแม้แต่ไม่ใช่พระอริยสงฆ์แต่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบเราก็เกิดศรัทธานะเห็นเขาประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็เกิดความน้อมนะําะอยากที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามท่านบ้างเห็นหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านมีจริยวัดวัที่สวยสดงดงาม หรือบางทีท่านก็แสดงอาการที่ไม่ทุกขให้พวกเราเห็นเราก็ได้น้อมนําอ๋อบุคคลถ้าปฏิบัติตามคําส่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามธรรมะก็เป็นผู้ที่สามารถพ้นทุกข์ได้เป็นผู้ที่สงบได้เป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงนิพพานได้เราเองก็สามารถเป็นเช่นนั้นได้เช่นเดียวกันถ้าเราประพฤติตามคำส่งสอนของพพุทธองค์เราก็เข้าใกล้ความไม่ทุกข์เราก็เข้าถึงความสงบ เราก็เกิดสติเกิดปัญญาได้เช่นเดียวกันอันนี้แหละคือคุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาเราก็พยายามเป็นผู้ที่เรียกว่าเดินทางหาขุมทรัพย์ตรงนี้กันนะขุมทรัพย์ที่เกิดจากขุมที่หนึ่งคือมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าคุมทรัพย์ขมทรัพย์ที่สองคือมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือว่าเป็นความจริงของโลกใบนี้ขุมทรัพย์กลุ่มที่สามคือเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระสงฆ์นะคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เนี่ยเรามีความศรัทธาในพระตัตฐาใอันนี้เป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเรายังขุมทรัพย์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เราจะมีขุมทรัพย์ที่เรียกว่ามีความ ร่ำรวยทางจิตวิญญาณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะรู้สึกว่าตนเองมีความสุขมีความสงบมีความสบายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราตั้งมั่นในปรัตตนาใจไม่หวั่นไหวไม่งอนแง่นไม่คอนแคลนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโกกรคกระทำต่างๆจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจเราเชื่อว่าถ้าเราทําตามคําสอนของพระพุทธองค์ นะเราก็ต้องเข้าใจความจริงแน่นอนเราเพืพฤติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ย่อมไม่หลงทิศผิดทางแน่เพราะว่าท่านรู้ความจริงแล้วท่านทำให้เกิดผลแล้วถ้าท่านก็มาสอนความจริงให้เราแล้วถ้าเราทำตามท่านเราก็ต้องเกิดผลแน่นอนนี่คือขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากในโลกนี้จะมีขุมทรัพย์เงินทองเพชรนินจินดาิ่งวัตถุภายนอกต่างๆมากมาย ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเอามาได้เอาไปได้นะเราจะทํางานหนักมากมายขนาดไหนร่ํารวยขนาดไหนตายไปก็เ อ, อะไรไปไม่ได้เพราะเราเคยถามตัวเองไหมบางทีเราทําอะไรมานะถ้าเราได้อะไรมาถ้าเราเอาอะไรไปได้ไม่มีสักอย่างนะมีแต่ของที่ได้มาชั่วคราวได้ใช้ชั่วคราวเอาอะไรไปก็ไม่ได้กลุ่มทรัพย์ภายนอกนะ ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองภายนอกไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยนั้นสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้วนเวียนอยู่กับการหาลุมทรัพย์ภายนอกแต่พวกเราทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายเป็นผู้ที่นะพยายามหาลุมทรัพย์ภายในก็คือศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระนนัตไตอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะแม้เราทาเต็มที่ในภพชาตินี้แล้วนะ มันยังไม่หมดทุกข์ยังต้องกลับมาเบียนไหวใตเกิดแต่ขุมทรัพย์ที่มันติดตัวติดใจรอได้เนั่ยแหละก็คือความตั้งมั่นในพระรัตนทไตเราจะเกิดชาติไหนพบไหนก็แล้วแต่เราก็จะเข้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแม้ชาติใดไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ใจมันก็ไม่ได้ตกต่ําลงไปเป็นสัตย์เดฉานเป็นเปรเป็นอสุรกายหรอกเพราะว่าอะไรเพราะใจมันระลึกถึงแต่คุณงามความดีแม้ไม่มี พระพุทธเจ้าไม่มีคำสั่งสอนมาสั่งสอนในโลกนั้นอยู่แต่ใจมันก็ไม่ตกต่าลงไปในอบายภูมิเพราะาอะไรเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าความชั่วความทุกข์มันเป็นทางที่เรียกว่ามันไม่ดีหรือเป็นทางที่ไปสู่อบายดังนั้นก็ทำแต่ความดีทำแต่บุญกุศลจิตใจก็น้อมนำขึ้นไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปนันการปฏิบัติธรรมนี้ไม่เสียหายตะทาให้เกิดให้ได้ศรัทธา ที่มันยังไม่ตั้งมั่นพยายามทําให้มันตั้งมั่นจะใช้วิธีการไหนก็แล้วแต่นะการสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เรามีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรมากขึ้นการสวดแล้วลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละทําให้เราน้อมเชื่อในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเราสวดแล้วก็ให้พิจารณาตามไปด้วยนะบางทีบางช่วงที่ว่างเราก็พิจารณาถึงคําสั่งสอนที่เราได้สวดอยู่เป็นประจำ มันจะไม่ได้เป็นการเพียงแค่การสวดอนะ้อนวอ น, อนว่าสวดบูชาเท่านั้นแต่เราสวดให้เข้าถึงจิตเข้าถึงใจสวดแล้วเกิดความซาบซึ้งภายในใจ<อ>เห็นด่องรอยที่พระพุทธเจ้าท่านนะตัดสู้เห็นด่องรอยที่พระเจ้าท่านสแสดงธรรมเห็นด่องรอยที่พระเจ้าท่านปรินิพานแล้วก็จริงใครจะไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง เราก็จะเชื่อเพราะว่าอะไ ร, ต, รต้นโพต้นนี้ก็มีจริงสถานที่ตรงนั้นก็เป็นสถานที่จริงนคนอื่นจะว่าไม่ไม่จริงก็ไม่เป็นไรแต่เราเห็นด้วยใจของเราว่าตรงนี้ได้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่มีพระดังเป็นสถานที่ที่มหาบุรุษท่านได้ตดรัสรูแล้วก็มีบุรุษบุคคลมากมายได้เดินได้เดินตามรอยท่านอันนี้ก็เป็นความจริงนะ ปรัติศาสตจะว่าแบบไหนนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่จริงประวัติบบาศาสตร์ท่านก็กล่าวไว้ในแนวทางที่พวกเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมดยุคหมดสมัยนะโลคใบนี้นะคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าโลกใบนี้หรือโลคใบอื่นๆก็แล้วแต่ไม่มีความทุกข์ทุกคนมีความไม่ทุกข์อยู่แล้วเนี่ย ดังนั้นนะคำตมางต่องเจ้าไม่จําเป็นแต่โลกใบนี้มันมีแต่ความทุกข์ดูดีๆมันทุกทุกขณะนั่นแหละจะเดินยืนนั่งนอนก็เพื่อเปลี่ยนทุกข์นั่ง น, น, น, น, นานนก็ปวดก็เมื่อยก็ต้องเปลี่ยนระยาบทเป็นการเปลี่ยนทุกข์จะกินข้าวจะอาบน้ําก็เพื่อบรรบลุทุกข์ร่างกายของเรามีแต่ตัวทุกข์มีแต่สิ่งที่สกปกต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันต้องขับต้องทาย ต้องกินต้องดื่มก็เพื่ออะไรให้มหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อแก้ไขบำบัดทุกทุกประจําสังขารคือร่างกายนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ร่ําไปนะเขได้แก่แก้ไขต้องได้แต่บำบัดต้องได้แต่บรรเทาแต่สุดท้ายก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายไปมาเป็นทุกประจําสังขารการเกิดทุกคราวก็ต้องเป็นทุกร่ําไปเพราะฉะนั้นการเกิดมามีสังขารร่างกายก็ต้องเป็นทุกเพราะสังขาร เป็นปกติเป็นธรรมดาก็ขอให้เรายอมรับความจริงตรงนี้นะทุกวันที่เราแก่ขึ้นนะทุกครั้งที่มันเจ็บเพราะความไม่สบายกายเพราะโรคภัยต่างๆให้เรามีปัญญายในการเห็นความจริงว่าอ๋ออันนี้คือความจริงของสังขารร่างกายก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาร่างกายก็ต้องมีความเจ็บเป็นธรรมดาร่างกายก็ต้องมีความหิวมีความ ไม่สบายกายเป็นธรรมดาสุดท้ายร่างกายก็ต้องมีความตายเป็นธรรมดาถ้าเราทำใจยอมรับความจริงตรงนี้เห็นความจริงตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าความจริงเป็นแบบนี้แต่เราเข้าใจแล้วก็เห็นนึกซึ้งลงไปว่าไม่ใช่แต่กายคนอื่นนี่เป็นแบบนั้นกายเราก็เป็นแบบนั้นใจเรายอมรับไหมมองให้นึกลงไปแล้วก็ใจจะเกิดการยอมรับมันจะเกิดสติปัญญาอ้อเห็นคนอื่นเขาแก่ ก็ย้อนกลับมาโดยตัวเองว่าเราก็ต้องแก่แบบนั้นเช่นกันเห็นคนอื่นเขาเจ็บเราก็ต้องย้อนกลับมาเห็นตัวเองว่าเราก็ต้องเจ็บเช่นนั้นเหมือนกันเห็นคนอื่นเขาตายเ้าก็มองย้อนกลับมาดูตัวเองไม่ว่าจะเป็นบุปตรชนหรืออริยะสงฆ์เช่นไรก็ต้องตายเช่นเดียวกันก็กลับมาย้อนดูตัวเองเอสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายแต่เราได้เดินทางทางจิตวิญญาณขนาดไหนเราเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะตายแล้วยัง เราเตรียมตัว เ, เตรียมพร้อมที่แก่ที่จะเจ็บแล้วหรือยังใจเราทําได้ไหมเราทุกกับร่างกายมากไหมเราก็กลับมาย้อนดูตัวเองมันทําได้น้อยก็ต้องทําให้มันมากขึ้นมันยังทําไม่ได้ก็ต้องฝึกให้มันมากขึ้นเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่ฝึกแล้วนะมันก็จะทุกอยู่ล่ําไปทุกชาตินี้แล้วก็จะไปทุกชาติใหม่อกีกถ้าชาตินี้มันไม่ได้ฝึกในการทําใจชาติต่อไปก็จะไปหวังว่ามันจะดีขึ้น ของมันเองไม่มีหลักเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเรื่องของใจมันเป็นเรื่องที่สามารถฝึกได้นะแม้ใจมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถบังคับบัญชาได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของใครแต่เป็นสภาวะที่สามารถฝึกได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้เรียนรู้จากไรเรียนรู้จากใจที่มีความโลภความโกรธความหลงเรียนรู้จากใจที่มีความทุกข์ เรียนรู้จักใจที่ไม่มีความรู้ความจริงนี่แหละให้เกิดความรู้ความจริงให้เกิดจากจากการละความโลภความโกรธความหลงละในการยึดมั่นตัวตนว่าเป็นของเราว่าเป็นของเขาอันนี้แหละคือการเรียนรู้ตรงนี้ถ้าเรากลับมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วจิตใจเราก็จะเข้าถึงการเดินทางที่แท้จริงการเดินทางภายนอกแต่ละคนก็คงมีประสบการณ์แตกต่างกันไปนะ ผ่านอาชีพผ่านการงานผ่านสถานที่ผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปการเดินทางภายนอกแล้วก็มันก็เป็นเพียงแค่สิ่งภายนอกได้รู้ได้เห็นได้ฟังได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆแตกต่างกันไปแต่ถ้าเราอาศั ย, ายว่าการเดินทางนั้ น, น, นเป็นการย้อนกลับมาดูกายดูใจของเราเองกลับมาเห็นความเป็นไปของกายของใจของเราเองเห็นโลกภายนอกแล้วก็กลับมาเห็นโลกภายใน เหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งภายนอกวัตถุสิ่งของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสร้างใหม่แล้วก็ก็เก่าก็พังสลายไปร่างกายเราจิตใจก็เช่นเดียวกันนะเกิดขึ้นแล้วก็แก่ก็เจ็บก็พังไปจิตใจความคิดนึกปรุงแต่งก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งวันหนึ่งคิดนึกปรุงแต่งไม่รู้กี่เรื่องสร้างประสาสร้างนิยายไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะ เหมือนกับกองทรายที่โดนน้ําทะเลพัดผ่านไปก็หายไปเป็นเช่นนั้นจะคิดดีก็ตามก็เอาไปไม่ได้จะคิดไม่ดีก็ตามก็เอาไปไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิดนะเป็นเพียงแค่อารมณ์จะสุขก็ตามก็ยึดไว้ไม่ได้จะทุกก็ตามถ้าพักมันก็หายไปเป็นธรรมดาให้เราเห็นความจริงของสิ่งต่างเานั้นเห็นความเป็นไปของโลกใบนี้ตามความเป็นจริง ใจิตใจเราก็จะน้อมนําพระธรรมคําสั่งสอนของพระเจ้านี่แหละให้เราเชื่อความจริงตรง น, นั้นเราก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าอ้อสังขารทั้งหลายไม่มีความเป็นไปเป็นเช่นนั้นเองนะเราก็ทําใจน้อมยอมรับความจริงตรง น, นี้นะี่แหละคือสิ่งที่เป็นกลุ่มทัพย์ที่สูงสุดนะเราเข้าถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระเจ้าเราก็สามารถเข้าถึงความเป็นพระอริยสงฆ์ได้จะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือเป็น บุคคลที่ยังไม่ได้โกนผมนุ่งห่มผ้าเหลืองนุ่งห่มผ้าขาวก็สามารถเข้าถึงสภาวะตรงนี้ได้ข้อสึ่งสภาวะคืออะไรสภาวะจิตใจที่เป็นปกติจิตใจที่ตั้งมั่นจิตใจที่ไม่ทุกข์ที่จริงสภาวะตรงนี้มันมีอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้วใจที่เป็นปกติใจที่ไม่ทุกข์ใจที่เรียกว่ามีความสุขสงบอยู่ ม, มีในคนทุกคน มีเป็นธรรมดามีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วเป็นปกติแต่เพียงแต่ ว, ว่ามนุษย์เราก็ดีสัตว์ระาททั้งหลายก็ดีหลงลืมสภาวะตรงนี้หลงลืมสภาวะจิตที่เป็นปกติไปหาไปควา้าไปไปจับไปยึดเอาสภาวะจิตที่ไม่ปกติสุขบ้างทุกบ้างโรคกวดหลงบ้างไปยึดว่าอะไร ไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของเราเป็นของเขาไปเอาเขาแต่ท้าอะไรที่เรามีสติปัญญารู้เท่าทันก็จะเห็นว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆวันนั้นมันเกิดขึ้นชั่วคราวมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรคว้าเอาก็ไม่ได้จะยึดเอาก็ไม่ได้จะเอามาทําไมเอามาก็เอามาแล้วก็ทุกเอามาแล้วก็สุขแบบสนุกสนานชั่วคราวเท่านั้นไม่มีอะไรเอาไปได้นะเหมือนกับมือของเราจะไปควา้าอากาศภายนอก จ้อคว้าเอาไม่ได้ไม่สามารถจับอะไรได้เลยนะมือใบนี้มันก็ว่างเปล่าอยู่แล้วเป็นธรรมดาทีจ่จริงสภาวะจิตมันก็มีความว่างเปล่าไม่ไปยึดไม่ไปถืออารมณ์เป็นธรรมดานะเห็นสภาวะจิตที่เป็นปกติเห็นความปกติเห็นความไม่ทุกข์ของจิตเป็นธรรมดาเราจะไปคว้าเอาทุกข์ทำไมในเมื่อความไม่ทุกข์มันมีอยู่ในเมื่อสภาวะปกติมันมีอยู่ให้เรากลับมาดูสภาวะ ใหมาหาสภาวะจิตที่เป็นปกติให้ได้อ น, นั่นแหละคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือสติสัมปัญญะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกว่าสภาวะตรงนั้นแหละคือคือสภาวะที่ไม่ทุกข์สภาวะจิตที่เป็นปกติมัมีอยู่ในคนทุกคนอันนั้นเราจะเดินจงกรมก็ดีเราจะยกมือสร้างจังหวะก็ดีหรือเราจะทํากิจวัตรทําการงานอะไรต่างๆก็ดีขอให้รักษาใจให้เป็นปกติให้ได้อยู่บ่อยๆนะ ให้กลับมาดูให้กลับมารู้กลับมาเห็นอาการที่เกิดขึ้นโดยสภาวะจิตที่เป็นปกตินะเห็นอาการที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ภายนอกเท่านั้นความคิดมันก็เกิดขึ้นภายนอกความคิดไม่ใช่จิตความคิดเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับจิตสภาวะธรรมจิตที่แท้จริงแล้วมันเป็นปกติมันเป็นมันประพัดสอนมันผ่องใสมันสงบอยู่แล้วความคิดมันจอนเข้ามาเฉยเฉยคล้ายเหมือนกับ น้ำนกับแก้วน้ำจะเป็นน้ำสีดำน้ำเป็นสีขาวน้ำสะอาดหรือไม่สะอาดมันใส่แก้วแต่น้ำก็ไม่ใช่แก้วความคิดก็เช่นเดียวกันความคิดกับจิตก็เป็นสองส่วนที่แยกกันไปนจิตใจเราเป็นปกติอยู่แล้วความคิดมันเข้ามาเป็นแค่ชั่วคราวอารมณ์ก็เกิดขึ้นชั่วคราวความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นชั่วคราว เหมือนน้ำกับแก้วที่มันแยกจากกันอย่าเอามารวมกันอย่าเอามาปนกันอย่าเอาว่าความคิดนั้นความสุขนั้นความทุกข์นั้นเป็นตัวเป็นตนของเราให้เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับจิตแต่มันไม่ใช่จิตมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาให้เราเห็นความจริงตรงนี้แหละจะเดินจังกรมก็ดีจะยกมือสร้างจังหวะก็ดีจะทําอะไรก็ดีให้เห็นอาการที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้เป็นของชั่วคราว เป็นของที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน <of problème> ของเราเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สภาวะอาการที่เกิดขึ้นในกายในจิตนี้ไม่ในกายในจิตที่มันเกิดขึ้นนี้ก็อย่าไคิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นของที่มาใช้ชั่วคราวเท่านั้นกายนี้ก็มาใช้ชั่วคราวเท่านั้นอ่ามันเกิดมันแก่มันเจ็บแล้วก็ต้องตายไปเป็นธรรมดา ถ้เราอยอมรับความจริงตรงนี้จิตนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรียนรู้ต่งงตางๆต่างนะี้ให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงตรงนี้ก็จะได้เรียกว่าได้ขุมทรัพย์ที่ประเสริฐนะได้ขุมทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์อย่างแท้จริงเนาะก็ขอ ก, ก็ก็คงเอาสิ่งต่างๆตัวนี้มาฝากพวกเราให้เป็นข้อคิด ให้เป็นเรียกว่าเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพราะการเดินทางนั่นะย่อมเป็นการเดินทางแต่ตัวผู้เดียวเท่านั้นนะคูบ า, าจารย์พระพุทธเจ้าท่านก็ทําได้เพียงแค่ชี้แนวทางบอกแนวทางอธิบายวิธีการเดินทางแต่การเดินทางต้องเป็นเรื่องของตัวของเราเองเท่านั้นนะการเดินทางภายนอกแตกต่างกันไปแต่การเดินทางภายใน นะถ้าเราตั้งใจที่จะเดินทางจากสภาวะความหลงไปสู่ความไม่หลงจากสภาวะความไม่ทุกข์ไปสู่สภาวะจากสภาวะความทุกข์ไปสู่สภาวะความไม่ทุกข์ผลทางตรงนี้พระเจ้าท่านบอกไปแล้วก็คืออรอยิยมรรคมีองคนะ์แปดที่พวกเราได้สวดที่พวกเราได้ฝึกหัดกันนี่แหละเป็นทางที่จะทําให้เราสู่ความไม่ทุกข์อย่างแน่นอนก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจเดินทางทางจิตปิญ ญ, ญาณเดินทางภายใน ให้เข้าสู่ความไม่ทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเธิน